ตอนนี้ถ้าอาจารย์มิระก็อยากจะคุยนะเรื่องเกี่ยวกับกายติดนะฮะอยากจะให้พิยนเล่าถึงเรื่องกายติดท่านจําได้กายติดมันไม่ขนะี้นิดนะฮะไม่ขี้นิดผมไม่ทราบเรากี้นิดครับแล่าถ้าท่านเคยเห็นเคยเห็นก็ทีหลวงพ่ทําวีก็ให้กเคยให้ดูแล้วให้เล่าก็บอกว่ากายติดถือว่าของท้องไคน ะ, นะใช้ใช้เปประโยชน์ มีประโยชน์คือเขาจะเคยหาสมบัติไทยทั้งเปนเป็นแก้วครับเป็นแก้ ว, เ, กวเขาหาสมบัติไทยและเขาคุ้มครองป้องกันตัวเราได้ซื้คอคดนะพวกคดีพวกคก็เหมือนกันครับเพราะเป็นพวกเกษตรถ้ามีแปรนี้อ่อนเลยมีหลายชนิดข้าวหลายชนิดแก้วดีกว่เพื่อนครับอย่างแก้วก็มีกายละเอียดข้างในก็เอกันะ <c oughs> <c oughs> เกสิ์นี่นะฮะเท่าที่ผมทราบก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างนะอะคุณน้าพอจะจําได้ไหมที่ว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้ากายสิทธิ์ลงในวัตถุสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเป็นเกสิตหมดเป็นต้นว่าผมเคยได้ยินตอนรนะยะอกี้ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีแม่ค้าที่เขาเอาไข่เป็นไข่ไก่มาส่งที่ตลาดทีนี้การมาส่งเขาต้องมาส่งตอนเด็กเพื่อขายตอนเช้า พอตอนเช้ามืดจบของบ้านเขาก็บอกว่าอทำให้ไม่ดับไฟนอนละ่ะเขาก็บอกว่าดับแล้วแต่ที่นี้เมื่อไปหาดูกันเป็จริงปรากฏว่าไข่ในจํานวนนั้นในแต่กล้ากลายเป็นไข่ขุ่ไป็นแฟ่องนะซึดงจบจบของเดิมก็ไม่รู้เลยแข่งแย่งกันขึ้นะในลักษณะอย่างเนี้ยคุณพ่อถึงเคยเล่าว่าสิ่งไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าหากว่ากิจสติดตลงแล้วก็ สิ่งนั้นเป็นกายสิทธิ์หรือเป็นจินหมดเป็นลำดับไข่ถ้าหากายสิทธิ์ลงก็เป็นไข่จินเนื้อไข่กายสิทธิ์นะหรือว่าอย่างมะละกอถ้าหากว่ากายสิทธิ์ลงเมื่อขามะละกอทานแล้วเม็ดในก็ออกปรากฏว่าไม่ใช่เม็ดมะละกอธรรมดาจะมีคล้ายเม็ดใหญ่กว่ามะละกอธรรมดานะเป็นจินซึ่งทางหลงวงโซ่เคยพบคุณนะ่าจำได้ไหมฮะเคยมีอยนะู่คข้างหนึ่งืนได้ มันไม่ได้อยู่ในเม็ดอยู่ในเนื้อมะละกออยู่ในเนื้อมะละกอแหละแผ่นบางๆเป็นแผ่นบางๆนะคแผ่นม oh. uh. mhm. yeah. ันก็เป็นหินอ๋ออยู่ในเนื้อเลยนะะในเนื้อครับนะแล้วบางบางแห่งนะบางครั้งผมก็ได้เห็นว่าทับทิมทั้งลูกเนี่ยเมื่อแกะมาแล้วเม็ดทับทิมที่ที่แกะมาจากเปลือกนั้นกลายเป็นหินหมดแต่ว่าลักษณะเหมือนทับทิมอันนี้คุณน่าเคด้ินไะมเพาว่าทาง เขพธบาทเคยมีเคยเห็นแต่ที่เขาได้ไแล้วนะเป็นยังไงเขาเหมือนกับเม็ดทับทิมเนี่ยเขาบอกว่าทับทมอยู่เป็นหินได้ใในเม็ดในในในขนทับทิมนะฮะแต่ว่าเป็นหินแข็งเป็นเป็นแก้วแข็งแก้วแแต่ถ้าดูธรรมดาเหมือนทับทิมธรรมดาเหมือนชับทอ๋อเห็นหลายเม็ดไหมฮะเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะเขาคงจะแบ่งแบ่งกันไปด้วยว่าไม่ใช่ มันโดนเม็นโรคมันไม่อยู่มันตกองเม็ดนะมันมีแล้วโรคมันยังมากกว่าเม็ดแล้วที่ร้อยที่พันโรคเกี่ยกรับเม็ดนะอ๋อแสดงว่ากายสิทธิ์ลงเฉพาะเท่านั้นเฉพาะเท่านั้นอ๋ออันนี้ก็แปลกดีแต่ว่าใสนะใสแต่ว่าสีชมพูของทับทิมก็ยังคมอยู่นะมีสีเข้าทุกันเลอ่าครับครับนะผมเิ้เปิไมได้กินอ๋อเปิ้ิเลาครับพนี้เกกายสิทธิ์ทั้งนั้นนะิิะ แล้วก็ น, นอกจากนั้นก็ยังมีในใ น, ในรูปต่างๆกันถ้าหากว่าลงในรังผึ้งนะฮะในรังผึ้ ง, นะ ง, งก็เขาเรียกว่าคดผึ้งนะฮะลงในรังปลวกเขาก็เรียกว่าโคตปลวกนะฮะถ้าหากว่าลงในเนื้อไม้ก็เรียกว่านะคดไม้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ในในหลักวิชาของทางโลกเขาก็มีหลักสูตรก็ อ, อีกอย่างหนึ่งว่า มันเกิดจากเอหิอนเข้าไปแทรกซึมในเนื้อไม้แต่มนุษย์จะไปทำให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เห็นมีใครทำได้นะนั้นเข้าใจว่าการลงของกายสิทธ์เนี่ยเป็นการลงที่เป็นไปโดยสภาพของพระทเจ้าแต่พัดบัรดาลให้เป็นไปนะอย่างบางท้องถิน่นเท่าที่ผมเคยคุยกับทวกนักธรมีวิทยาเขาบอกว่าไม้เนื้อหินเนี่ยในแถบจังหวัดพิมายเนี่ยยังมีอีกหลายท่อน นะแต่ไม่มีใครสนใจเรือไปเอามาใช้ทําอะไรเป็นลายเหมือนไม้เก่าๆแล้วก็แต่เนื้อไป็นที่แข็งมากเขาบอกว่าเนื่องจากหินเข้าไปกินเนื้อไม้นะฮะแตกซึมไปหลายพันปีแล้วก็เลยไม้เนี่นก็เลยกลายเป็นหินไปแต่ว่าบางทีผมเคยเห็นในพิพิธภัณฑนะ์หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ไม้เป็นเนื้อหินพวกนี้ก็เห็นจะเป็นพวกเกษตรทั้ น, นั้นเข้ามาถ้าจะเป็นพวกเกษต ออนี่บรรดากายกิต ท, ทั้งหลายเหล่าเนี้น ะ, ะอย่างเพชรตาแมกวก็ดีเพชรตาเต๋อก็ดีแก้วตาคนก็ดีนะฮะอันนี้ถ้าที่ผมเคยพบเคยเห็นเคยได้ยินมาอันนี้เขาแบ่งเป็นสองภาคใช่ไหะคือทั้งของฝ่ายขาวฝ่ายดําใช่ไหมฮะ อ, อย่างพวกรูป ก, กรอกนี่มันของฝ่ายดําเขาใช่ไหมฮะฝ่ายดําแล้วทีนี้เราจะทราบได้ยังไงว่าอันไหนเป็นฝ่ายขาวฝ่ายดําถ้าเราดูด้วยตามนุษย มนุษย์รู้ไหมออกไม่ออกนะครับลูกตาดำหรือตาใสอ๋อทีนนอกจากลูกกรอกแล้วนะเราจะไม่มีทางทราบ่ะฮะอันไหนเป็นของฝ่ายใดครับต้องต้องตรวจต้องตรวจเลถ้าเป็นลูกกรอกไม่จะเป็นของฝ่ายขาวเป็นไปได้บ้าไหมครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะอ๋อเอาลูกกรอกเป็นเป็นของฝ่ายขาวก็มีนะครมีแต่ว่าส่วนมากเป็นของฝ่ายดำครับนะฮะอ๋องั้นสรุปแล้วพวกไสยสิทธิ์ ถ้าทีมมีทั้งหลายแหลเนี่ยเราจะทราบได้ก็ต้องการต้องด้วยการทดสอบตรวจ ด, ดูครับต้องตรวนะฮะว่าเป็นของสายใดเราจะพิสูจน์ทั้งวัตถุหรือสิ่งที่เห็นด้วยตามลูกนี่ไม่แน่นอนไม่ถไม่แน่นอนนะไม่ถึงครับว่าอันไหนเป็นของฝ่ายใดนะฮะน ะ, ะทีนี้พวกกเกษตรเหล่านี้มีจาระพัดเป็นฝ่ายคุกมครองอีทีใช่ไหมฮะ กครองขยศิษฐ์อีกทีใช่ไหมขุนศิทฐนี่เป็นบริวารของจากักรพรรดิใช่หไหมย่างนั้นใช่ไหมคือจัอกรพรรดิเป็นผู้ปกครองขยศิษฐ์เองขยศิธฐ์ก็มีชั้นกันองอมีชั้นนี่เองมันมีชั้นกะา้นแต่ถ้าที่คุณน่าจำได้เขาแบ่งชั้นกันยังไงหลวงพ่อท่านก็ไมไ้บอกว่าชันยัไงต้องมีชั้นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันหมายความว่าถ้าทาแก่อ่อนกว่าท่านทีนี้ความเป็นอยู่ของขุนศิษิ์นะฮะ ก็มีความเป็นอยู่เป็นทิพใช่ไหมฮะเป็นทิพย์คือแต่ว่าไม่ไม่ใช่เหมือนพวกเทวดาพรมทั้งหลายน ะ, ะเพราะเทวดาพรมทั้งหลายนั่นมีวันจุติแต่ว่าพวกเกยียริหรือจักรพัฒพวกนี้ไม่มีวันจุติใช่ไหมครับที่ทราบพระ้องข้อทางก็ไม่เคยพูดนะจุติหรือเปล่า <c oughs> คือข้าพทธิผมทราบว่าพวกนี้พวกกยศิก็ดีจักรพัฒก็ดีเป็นพวกเสมือนเป็นพวกเกียริเสมือนหนึ่งว่า เป็นมีภาวะเป็นทิพนะฮะเขาอาจจะมาแสดงตนในรูปของเทวดามนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทั้งนั้นนะอะย่า ง, งกายศิษย์ที่เขาว่าแสดงนะครับเพราะมันแสดงกายให้เราเห็นนะครับอย่างการเข้าทรงผีสิงต่างๆนะ่ะหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าพวกนี้เป็นเป็นเรื่องของพวกจั ก, กรพรรดิหรือพวกกายสิธิ์เขาแสดงทั้นั้นเพราะบุคคลผูส้สื่อสิ้นชีพไปแล้วนะ่ะ ก็ต้องไปสู่คติของตนคือจะไปอยู่ชั้น เ, เทวดาเป็นเทวดาในสวรรค์หรือว่าเป็นชมหรือว่าเป็นสรรัตวนรกสัตริชานอะไรก็ไปตามคติของตนแต่ว่าพวกที่มาสิงทรงและสามารถทราบประวัติต่างๆนั่นอ่ะแท้จริงเป็นพวกกยติตทางนั้นเพราะพวกนี้สามารถรู้ประวัติทราบความเป็นมาต่างๆจะให้ความศักดิ์สิทธิ์อะไรแปลกๆมหาศาลได้ทั้งนั้นนะฮะคุณน้าก็จำได้นะอันนี้ จำไมครับผมจําได้ว่าท่านท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่ส่วนมากเรื่องของการสิงการตรงแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องการให้มนุษย์มีความเสื่อมคลายไปจากพระสารกรรจึงเป็นเรื่องของฝ่ายาเป็นส่วนส่วนหนึ่งน ะ, ะนี้นอกจากเรื่องของเคดีศิษย์ดังกล่าวแล้วน่ะเรื่องของแก้วจกักรพรรดิคุณน้าพอจะจําได้ไหมว่า มีการแบ่งชั้นกันยังไงการปกครองกันยังไงแล้วมีละะักษณะรูปพันสัญญาเป็นยังไงยังเม่ได้ท่านหลวงพ่อไม่เลยบอกว่าชั้นอยังไงเนื่อท่า น, นบอกว่ามีมีชั้ น, น<อ>กันอ๋อเช่นสูงเชนกลางเช่นตครับผมจําได้ว่าพวกแก้วจักรพรรดิเขาก็แบ่งเป็นจุรจักรมหาจักรบรมจักรจุฬพุทธจักรมหาพุทธจักรบรมพุทธจักรนะฮะครับนี่นผมจําได้วันพ่อท่านเคยเคยแบ่งชั้นไว้ไว้อย่นั้นคุณท่าน ต้องเป็นต้นเนี่ยฮะต้นต้นต้นสี่ทีนี้พวกที่ตามๆลงมานี่ก็ใหมีจำนวนได้แล้วเราเราเทียบไปถูกเทียบเป็ถูกก็แล้วแต่จะเป็นบริวารของชั้นไหนนะฮะบริวารของชั้นไหนก็ก็เป็นบริวารของชั้นนั้นนะครเป็นชั้นเหมนบริวารของจุลจักรก็เป็นการติดชั้นหนึ่งนะฮะบริวารของมหาจักรก็ชั้นหนึ่งบรมวาจักรชั้นหนึ่งครนะก็แล้วแต่จะเป็นบริวารของใครนะ แล้วนอกจากดังกล่าวแล้วแก้วจกกักรพรรดินี่ยอคุณหน้าพอจะจําได้ไหมว่าหลวงพ่อท่านเคยปลารคถึงผลว่ามีอย่างไรบ้างคนอะไรคือผมเคยจำได้ว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าแก้วจกกักรพรรดินี้นะเป็นแก้วประเทศดวงขนาดผลต้มขึ้นไปไม่ไมไมเล็กกว่าผลส้มนะฮะ ถ้าหากว่าเมื่อใดวิชาสาเร็จก็ดีหรือว่าถ้าหากว่าฝ่ายเราละเอียด ก, ก็ดีหรือว่าโดยปฏิหารประการใดก็ตามถ้าแก้วจักรพรรดนี้ลอยมาสู่มือของผู้ใดผู้นั้นก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิสามารถบรรดาลคือพิพิพินี้ให้เป็นไปตามปรารถนาของตนได้ตามทํานองครับอาจารย์จะได้ไหมฮะไม่เคยพูดไปจังไม่แน่แ<ะ>ล้ว<ะ><ะ> อันนี้ผมจาได้ว่าท่านเคยเล่าไว้ว่าแก้แต่กระพัดเนี่ยถ้าหากว่ า, าลอยมาในในภาวะนั้นแล้วก็มาสู่มือของบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ใช่ไปแสวงหาโดยการทดปักทินนนท่นีหรือว่าใครเอามาแลกเปลี่ยนอะไรทั้งนอง น, นั้นแล้วนะฮะก็จะได้มีปาฏิหาริมาประจันดังกล่าวนี้นะฮะ นอกจากไอ้เหตุการณ์ังกลางนี่คุณน้าเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าจำอะไรได้บัางเกี่ยวกับแก้วแตพันน์ไม่ไม่ได้นะฮะนี่นอกจากขั้นของเกษต